ر ับบ رح لي صدري و ي س ر لي أمري و, و, و, و, و, و ح ل ا لعقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أ ل ق ن ا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزرنا علما ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هدتنا وحبنا من لدنك ر إن أن ح م ه إنك أنت ا ل ر ح ي รั้น ظلم ราริลลัม لنا وترحمنا ل, وت ل ن ك ن ن من الخاسرين ربنا ت ن ا في الدنيا خ س ن ه وفي ا ل آ خ ر ح س ن ت ق م. م عة, ن ا عذابنا الحمد لله วันนี้เป็นสุรัตุลยุมาน่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับคิดว่าคิดว่าน่าจะจบอินชาอัลล์นะ มีประเด็นต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่ว่าพยายาให้จบนะครับเราจะเน้นจากตับซีรอิบโนเกสีเป็นหลักเนื้อหาในวันนี้เฉพาะเฉพาะในอิบโนเกสีนี้ก็มีมีปัญหาะะเพียงพอแล้วนะครับที่เราจะรับเรียนหรือมาดูกันทบทวนกันสำหรับคืนนี้เฉพาะลักษณะอะไรนะครับสิบขวาประเด็นละนะครับแค่ สามอายสุดท e, right ้ายจากสุรทุมจุมมาห่ังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับสามสามครั้งแม่กันนี้เรามาดูกันเลยอินชาอัลลอ์ตามากันเลยอูบบิลลาฮมินชตานุรี ทั้ ا ที่เราไม่ได้รับการช่วยเหลือ صلاة ที่มีอ الجمعة ฟังเสียงอิลากิริَัลลาห์َดี ذلك م ม خير ุลักุมอิน تعلم ุน ذلك ุม خير ุลักุมอิน تعلم ุน فإذاقضيات الصلاة ف َ الص ت ش ر و في الأرض وَبَتَغُو م ِ ن فَضْلِ ا ل ل ه ِ و َ ا ل َُْ أ ت ِ ر ََ ا ل َّ ي َ ا ي ل ع َ ل َ ك ُ م و َ ل ع ََََْ ل َ م و ََ ل ع ََ م َ م و ن َ ا ل ْ ع َِ و ا ل ْ ع َ ج ب َُِْ و ا ل َِ ل َ م َُ ا ل ع َُ م ْ ل م ซุฟลิฮุน وإذا أ ر ا ت ِ ج ا ر ة أو لهوان ف َ و ا إليها อ و َ ا ن นิَ ضوا إليها و َ ت ر ك و ا َ ق ا ئ م ا <مة> قل ما عند الله خير من اللهو ومن ا ل ت ج ا ر والله خير الرزقين الحمد لله سورة الجمعة ทั้งหมด18ข้อนะครับนี่3ข้อสุดท้าย อินชาอัลลอฮเราจะดูมส mm ัลลฺหรือว่าประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสามอายัสุดท้ายเราถ้ามีเวลาเราจะสรุปรวบยอดทั้งหมดความสำคัญของซุราะนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งพี่น้องครับมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องทบทวนตัวเองมากมายเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราภารกิจในวันสุข คืนนี้ก็คือเป็นคืนวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยกี่รอบแล้วครับรู้สึกถึงความสำคัญของวันศุกร์แบบสุดๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตไหมอัลลอฮฺสุบัยาะลัยยมาสุราะหนึ่งยกมาเป็นสุราะหนึ่งเลยนะฮะโอเคมันมีแค่สามอายัด ที่เกี่ยวข้องกับวันศุกร์แต่มันถูกเอามาเป็นชื่อสุรษุรษูล์จุมภาแสดงว่ามันมันมีความสําคัญมากมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่แค่ละหมาดวันศุกร์วันวันเดียวนะวันศุกร์เนี่ยมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยมาดูอิมนาเคซิสอธิบายผมพยายามจะอยู่ในกรอบการอธิบายของอิมนาเคซิสเพราะว่านี่ก็เยอะล้ ทีอิมรุกัซีรอธิบายในทั f s i r ผมไม่เปิดอย่างอื่นเลยเล่มนี้วันนี้ไม่เปิดเล่มอื่นเลยเปิดอิมรุกัซีรเล่มเดียวมันประเด็นที่น่าสนใจพอแล้วที่เราจะเอามาทบทวนตัวเองนะครับเกี่ยวกับยุมัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่เราพูดไปแล้วสองสาตอนด้วยนะมันไม่ได้แยกมันไม่ได้แยกออกจากเรื่องราวทางโประวัติศาสตร์มันไม่ได้แยกออกจากเรื่องจากเรื่องราวในการด่าวะของท่านนบีก้อนศุกร์มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับการด่าวะ เกี่ยวกับการตรรกะของท่านนบีุล่นะัลลอย่างลเอดลมูกันนะเนี่ยเป็นคในภาษาอาหรับทำไมต้องชื่อว่าจุมกศกบอกว่าเพราะมันมาจากคว่าหมายถึงการรวมจุมมาจากคว่า ซึ <offen> ่งหมยถึงการรวมรวมอะไรบ้าง فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة بالمعاب بالمعاب للتباهي เนื่องจากว่าชาวมุสลิมจะรวมตัวกันสัปดาห์ละครทุกวันศุกร์ในมัสยิดใหญ่ใหญ่ใน جامع มัสยิดใหญ่ใหญ่ وفيه كمل جميع الخلاائق ف ันนั้นวันที่6ัาเ6ที่พระเจ้าทรงสร้างมคโลกนี้อย่างสมบูรณ์พระเจ้าทรใช้เวลา6วันในการสร้างมคโลุกวันทั้งหมดในแต่ละในสัปดาห์จะมี7วันแต่พระเจ้าทรใช้เวลา6วันในการสร้างวันสุดท้ายของการสร้างก็คือเริ่มต้นสร้างจากวันอาทิตย์ แล้วก <t> ็มาจบที่วันศุกร์ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ในวันในวันศุกร์ว่ฟีฮิฮุลิกอาดัมวันศุกร์เป็นวันที่ท่านนบีอาดัมถูกสร้างว่ฟีฮิอุล خيل ะเจนนะวันศุกร์เป็นวันที่ท่านนบีอาดัมเข้าสวรรค์ว่ฟีฮิอุคริจามินหแล้วก็เป็นวันที่ท่านนาบีอาดัมถูกขับออกจากสวรรค์ว่ฟีฮิตะตูมุษะเป็นวันที่จะเกิดวันเกียรต إ أ วุาในจำนวนเวลา24ชั่วโมงของวันสุกี์จะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งไม่ถูกเปิดเผยว่าเป็นช่วงไหนช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าบ่าวคนหนึ่งไปขอดุอาแล้วมันตรงกับช่วงนั้นพอดีอรรตาลา จ, จะไม่ปฏิเสธดุอาของครับ มีอุลามะพยายามที่จะอธิบายว่าเป็นช่วงไหนหลายคนนะครับบางคนบอกว่าช่วงที่กํำลังอาจารย์บางคนบอกว่าช่วงที่ระหว่างคุตบัติสองคุตบัติบางคนบอกว่าช่วงสุดท้ายของวันช่วงหลังละหมาดอัสริงรู้สึกผมจะเคยบอกนะครับว่ามีอุลามะสมัย ร, ร, ร, รุ่นสมัยรุ่นร่วมสมัยบางคนบอกว่ามีลูกศิษย์ของเขาบางคนมาบอกเขาว่าตอนนี้ เขาเหมือนกับกลัวที่จะขอดุทิศจากอัลลอฮ์เพราะเขาขอทีไรมันได้ทุกทีก็บอกว่าเขาขอทีไรก็ได้ทุกทีเขากลัวแล้วถ้าเขาขอแล้วมันกลัวมันจะได้กลัวมันจะได้เกาว่าแล้วขอตอนไหนก็บอกว่าทุกวันศุกร์หลังละมัณอัสรีเขาไม่ทําอะไรเขาไม่ทําอะไรจนกระทั่งมะกริบขอดุอาศจากลอสเวอร์ตาลา ไม่ออกไปไหนกล้าท้าไหมท้าตัวเองลองดูสิกล <c oughs> ัวไหมกลัวจะขอแล้วได้ตงนี้เี่ยอันนี้ผมฟังมาจากเชฟนัสเซร์อัลอุมะท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งมาบอกท่านว่าทุกครั้งที่ขอมันศุกแล้วมันจะได้สุข้าพเราเพราะฉะนั้นลองดูเอ้ไหมครับบอกแล้ ว, วมันมันไม่ใช่เรื่อง นี่เราทําเป็นสบายๆวันศุกร์มาที่รอบกี่รอบเราชีวิตเราก็เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่สร้างเสริมผลเลบนุ่นความดีความการพัฒนาไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยและเขาเราเราพอจะเอ็นด์ลาบินลาอืมอนี่คือความสําคัญของวันศุกร์นะครับเป็นประเด็นที่หนึ่งที่เราเอามาจากคาพูดหรือคัมภีรของอิมมุลกินะต์เอ และว่าด้แต่ยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าวันสุขเนี่ยจริงๆแล้วคนสมัยก่อนก่อนหน้าประชาชาติท่านนบี Muhammad เนี่ยรัฐสั่งให้เอาวันสุขเนี่ยเป็นวันสาคัญนะแต่คนพวกนี้ไม่เอาอิกราลยิววันศัตว์ พวกยิวเลือกวันเสาร์วัชตาร์น์นักสารนั้นเลือกเอาวันอาทิตย์อัลลอฮุบต่าลาก็เลยหิดายัให้ประชาชติของท่านนบีมุ h a ม m a d เนี่ยเอาวันศุกร์มาเป็นมันเป็นวันสคัญของพวกเขาเหมือนที่มีดิรายงานในอิหม่ามอัลบคารีและอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีสุลแลมบอกว่า نحن الآخرون. พวกเประชาชาติสุดท้ายในโลก الدنيا. س ب ق و ن يوم القيامة، 但เป็นประชาชาติแรกในวัน بيدأنهم أ و ت و ا الكتاب من قبلنا. นี่คือการที่คนเหล่านั้นได้รับค قد าเรา ثم إن هذا يومهم، يومهم الذي فرض الله عليهم ف ت ل ف و ا فيه. ฟَ ه َ د านั้น a l له ف الناس لنا فيه تبع الله تعالى เนี่ยกำหนดวันศุกร์มาเป็นวันสาคัญแล้วแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่เอาเพราะฉะนั้นทุกประชาชาติเลยต้องตามหลังเราพราะวันศุกร์มาก่อนัลยิฮูดัดัวกยิวพรุ่นีก็ควันเสาร์ันนัสซระังดัล ن ส่วนพวกนัสซระนั้นหลังจากพวกิว อันนี้เป็นหนึ่งในจำนวนความสำคัญหรือมันสิแหละวันสุกเราจะได้รู้รู้เราจะได้มาวันสุกแบบมีมีกำลังใจมีจิตสำนึกสักหน่อยหนะึ่งไม่ใช่มาแบบเหมือนตายซากมาเหมือนศพเดินไมนะมาวันสุก <laughs> ม, มาถึงก็มานั่งหลับนะเดินมาก็ตายแล้วมานั่งในในมันยึดก็ตายอีกตายอีกรอบหนึ่งตายไม่มีอะไรมีชีวิตเ ล, า ล, าลยละฮาวลาอัลลอฮฺอัลลอบิลละ แต่ถ้าตายวันศุกร์นี่ดีนะคือเหมือนกัว่าถ้าตายวันศุกร์จริงๆ่ยถ้าเสียชีวิตวันศุกร์จริงๆเนี่ยก็มีฮะดิษนะครับแม้จะไม่มีน้ำหนักมากแต่ว่ามีอะไรฮะดิษที่ดีที่เหมือนกับเป็นการพูดว่าใครที่เสียชีวิตวันศุกร์หรือคืนวันศุกร์ก็มีฟันธีรั์ของมันอีกนะครับ น, นี่ประเด็นที่สองมาถึงอายะกัละกันที่อัลลตาลาบอกว่าเยาะอายุฮะลิซินอาเมลูอิซ่าลูติยาลิศซลาติมิน يوم ิลจุมวาง นูเดียร์รศัล์เนี่ยหมายถึงอาซานนะอาซานอาซานในในการเรียกคนมาละหมาด น, นะคำว่าอาซานตรงนี้เนี่ยผมข้ามไปที่ที่ประเด็นเรื่องอาซานก่นอนเรามันจะเสีพูดทีหลังนะอาซานตรงนี้เนี่ยหมายถึงอาซานที่อิหม่ามขึ้นไปบนเมมบรัรดแล้วหรืออาซานที่สอง สำหรับพวกเรานะครับจริงๆแล้วในสมัยของท่านนาบีเนี่ยวันศุกร์มีแค่อรจานเดียวก็คืออาจานก่อนที่จะคุดพระอิหม่ามขึ้นไปบนมิมบัตแล้วมูอัลจินก็จะอาจานอ น, นี้คือความหมายคําว่าอิดานูเดียหรือล ل ا ة ส่วนอาจานครั้งแรกเนี่ยมาจากไหนอัจจานครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของท่านอัลสุมาลีบินอัฟฟานรดย์อัลลอฮุยลฮฺเนื่องจากคนเยอะ สมัยท่านน บ, บีคนยังไม่ได้เยอะมากอาสาห์ครั้งเดียวคนก็ยังมามาละหมาดทันพอมาถึงสมัยท่านออตมานเนี่ยพอชาวมุสลิมเยอะขึ้นเนี่ยอาสาหครั้งเดียวทำให้คนไม่ทันท่านท่านซาดินออมานก็เลยสั่งให้อาสาหครั้งแรกด้วย่อนที่จะเข้าเวลาเพื่อให้คนได้เตรียมตัวทําความสะอาดร่างกายได้ใส่เสื้อผ้าดีๆแล้วมารวมตัวกันที่มัสยิด เพราะฉะนั้นสุนนะนี้จึเป็นสุนนะของอลฟอุามาถามว่าทาได้ไหฮะเป็ น, นอะฮ์หมไม่ใช่เราสุนนะอัลฟุลฟาอรชิดีได้รับการยอมรับจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลเราะฉะนั้นไม่ผิดอย่างในะครับที่จะมีการอ่านครั้งที่หนึ่งทีนี้ประเด็นการอ่านครั้งที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นชาวประเทศอาหรับเนี่ยเขาจะอ่านเร็วมากเลยใครเคยไปมักกะมาดีนะเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าบางทีอยู่เอฮ้ยอ่านแล้ว อาจารย์ะไะตีสิบแปดางคนไม่รู้ไม่เคยได้ยินเขาอาจารย์ น, นะฮะอาจารหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาสวดหรือเวลาจุมัสจริงๆเนี่ยเขาอาจารแล้วเขาอาจารเพื่อให้เราหยุดจากภารกิจอื่นถ้าขาขาอยู่ก็หยุดถ้าเรียนอยู่ก็หยุดถ้าทําอะไรอยู่ปกติวันศุกร์เขาก็จะหยุดอยู่แล้วแต่ก็ยังมีนะครับคนที่ทํางานทำมาค้าขาอยู่พอถึงอาจารยครั้งแรกเนาะเขาจะรู้ตัวรีบมา ที่มัสยิดอันนี้คืออะไรนะอิดานูดิยะยุศลาหมายถึงการอสานเพื่อให้ละมาดในวันสุขนะนวันจุฬาฟัสอูอิล่าดิกริละเร้ยินเสียงอ่าแล้วให้ละทิ้งอย่างอื่นให้หมดเลยให้รีบฟัสอาตรงนี้เนี่ยไม่ได้หม่ถงวา คํมพูดิ่นี่ผมอ่านเนี่ยว่าเอ้อุกศดูว่ามดูว่าพัฒม์มีใน سير คุณ إليها จงให้ความสาคัญในการที่จะไปมัสยิดคือละมาตุมมุฮัมมัดว่าแล ا อิสลามรอดุบิ ا ه ยเฮาณะ المشي السريع คว่าฟ้าส่ ا ตรงนี้มาเลยไม่ใช่หถึงว่าห้วิ่งไปไม่ใช่หรือเดินแบบเร็วๆแบบคนที่ รีบเร่งไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่ารีบเร่งแต่ให้หมายถึงให้ความสำคัญเพราะว่าการเดินแบบรีบเร่งผีผามไปมัสยิดเนี่ยมีคำสั่งห้ามจากท่านนบีสุลล่านเวลาไปมัสยิดให้เดินไปแบบอวการสงบด้วยความสงบด้วยใจที่สงบมีตุมะนีนะไม่ใช่เดินแบบ้ใจไม่ทัน เราเป็นบ่อยมากแบบนี้เรามาเร็วไงมาไม่ใช่มาเร็วมาเฉียด <accent> มมเฉียดพอมาเฉียดเฉียดเลยก็เลยต้องทําเวลาพอถึงนี่หายใจไม่ทัน ไ, ไม่ทันหายใจเป็นเราตัวได้อรอณแล้วก็ยังายใจยังไม่เข้าไปอันนี้ไม่ได้นะครับมีฮะดิษฐานเพราะฉะนั้นคํ า, าว่า f a s อ u n g i ิ a dikrila จงไปสู่การริ่มเริ่มถ้าเราหมายถึงให้ความสําคัญ ถ้าอย่างอื่นอยู่ก็หยุดทำอย่างอื่นให้มาเพื่อการนี้อย่างเดียวละฮะดิสที่ห้เนี่ยมีอยู่ในหลายหลายเรวายันะในบุีมุสลิมก็มีอย่างเช่นที่อบูฮุรัยราจกข้าพนบีสั่งว่าอิจ่าสมิทุุลิความะเตฟัมชูอีลาศล่า و ัลเลกุมุสซาคีนตูวัลวุตาร์และตุสรีูฟะมาอรักตุมฟัลลูวะมาฟาตกุมฟะอติมู เวลาที่เจ้าได้ยินคนอีกอมัดแล้วเนี่ยก็ให้รีบก็ให้ไปให้เดินไปมัสยิดเดินไปละหมาดและจงรักษาความสงบในการไปละหมาดให้ดีอสัสกีนะความสงบอัลลอกอลรอบน้อม อ, อ, อะไรก็ตามเอาเวะลาทุ่งเสงีย่าอย่าขีดข า, ามสำอันรักตงรักการ์ต์ไหนที่เจ้าทันกับอิหมาดก็ระหมาดพร้อมไปอันไหนที่ พลาดจากอ إ ي ่า ن ไปอ إ ม่า ن ไปว่ามาแฟดจะคุ้มอะไรที่พลาดจาก إيمان ฝ่าอติมูชาก็เติมมันให้ครบเราก็อัดตามนั้นเข้าใจไหมครับนี่เป็นมารายาทในการในการละหมาดเดี๋ยทางที่ดีก็คือไปให้ก่อนเลยก่อนที่เขาจะกอบัดเลยมีอีกอสองสามประเด็นะ <c oughs> ที่ที่พูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าความหมายมันก็ลักษณะเดียวกันก็คือห้ามไม่ให้เรานั้นพลีแาลเวลาไปละหมาดให้ไปด้วยความวัวก้อนะว่าความสงบความนิ่ง แต่ความขชูนะครับโดยเฉพาะหั ว, จ ว, หวใจเหมือนกับที่อัลฮะซันอัลบัสรีบอกว่า والله ما هو بالسعي على الاقدام คําสั่งของอัลเลตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงรีบด้วยเท้าแต่รีบด้วยใจ <ت ص في ق> ออ ولكن بالقلب والنيه والخشوع ให้ให้ความสําคัญกับถ้าหวัวใจให้ความสําคัญเนะี่ยมือเท้ามันก็นจะตามหวัวใจไปเอง เรากลัวว่าหัวใจของเราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เท้าเนี่ยทให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องเท้าอย่างเดียวหัวใจไปถึงมัสยิดก็ยังยังหลับไหลอยู่อันนี้ไม่เอาหัวใจต้องไปก่อนลวก่อนที่เท้าจะถึงมัสยิดเนี่ยหัวใจต้องถึงก่อนอันนี้คือภาษาอิละดิคริลละโอ้เ ล, ลึกมากนะครับมาชนใจเลยนะไปนะอิุกะซีรวะวายุสเับบุลมันา อีหลักจมูกที่อันจะล้างก่อนม้ ل ي, ي ه ا อันเป็นอีกหนึ่งมรยาที่วันศุกร์นับสุนทรพิจารณาวันศุกร์นี้ต้องทาความสะอาดร่างกายหรือในฮาริสเจาะจงเลยก็คือให้อาบน้ำให้อาบน้ำมีฮาริสเรื่องนี้นะครับบอกว่าอีจ้าเอ้าหาดุคุมอีหลักจมละกกัสุยลักจมู ج ที่วาจับบ ل เกลือ ت ี การอาบน้ําวันศุกร์ในละหมาดการอาบนาออ้ําการอาบน้ําในวันศุกร์ก็ไปละหมาดนั้นว ajib มีอะดิ ษ, ดษมาบอกว่าเป็นว ajib คำว่าว ajib ตรงนี้อุลามะมีการอธิบายนะครับเคล่า ก, กันการละหมาดการอาบน้ําในวันศุกร์เนี่ยพบกลมมันตกลงสุนัตหรือวา่าว ajib จุมพุรุลุลามะอุลามะส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการละหมาดะการอาบน้ํานั้นสุนัต <c oughs> ไม่ได้ว ajib เป็นแต่อย่างใดเพราะว่ามีอะดิษบทอื่นที่ มาอธิบายฮะดิสนี้แต่มะของมลอัลิก ا ل มาม م มัลิกแล้วก็อัลวาฮีรีเกึดตา ม, มาดิสนี้เลยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการที่เราจะต้องทำความสะอาดคือให้เราลองนึกสภาพของคนอับของพวกเราเนี่ยไม่มีปัญหาพวกเราชอบอาบน้ำอยู่แล้วหรือว่าไม่ชอบ <laughs> ค, นคนบ้านเราเนี่ยอาบน้ำเน่ยเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งอาบน้ำสามสี่รอบนี่เป็นเรื่องปกติไหมพวกเราอะ คนอาหรับเนี่ยบางทีเขาไม่อาบจริงๆนะเขาเขาไม่อาบจริงๆนี่อันนี้พูดตามตรงเลยสมัยนี้สมัยก่อนนี่ยิ่งกว่าผมก็สมัยก่อ น, น้ําก็น้อยแล้วก็อยู่ในทะเลสายชีวิตของเขาอยู่กับปูใช่อยู่กับคลุกฝุ่นคลุกดินไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เหมือนเราอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามาที่มัสยิดทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลิ่นถ้าหากว่าไม่ทาความสะอาดร่างกายวันอื่นท่านนาบีบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าวันศุกร์ถ้าจะมามัสยิดไม่ได้ ต้องอาบน้ําก่อนเพราะเป็นวันรวมตัวกันต้องเข้าใจคือบางทีเราเราเร า, เราแค่มองภาพในบ้านเราเนเฮ้ย hey, มันอะไรฮะทําไมต้องถึงท่านวันยิบเลยเหรอเราเราอาบน้ําเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะแต่อของเขาที่บางที่เขากว่าจะได้อาบน้ําจริงเนี่ยมันไม่มีน้ําไม่อาบถึงไม่มีน้าไม่อาบเพราะถึงวันศุกร์ต้องเตรียมน้ําเพื่อที่จะอาบนะำต้อให้เข้าใจด้วยบริบทของของ อ, อายะฮ์ลกุรอานที่ถูกประทานลงมาว่าทําไม ต้องลงมาถึงขนาดนี้ออ่าต่อไป แ, แล้วมีมีฟะติละอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าอะดิสที่บอกว่ามานุทัศนลเยาเมลจุ่งอ่ะรุษละเจนาเบตีใครที่อาบน้ํามันสุบเหมือนกับอาบน้ําจนาบะเหมือนอาบน้ำวัดจีบะเวลาอาบน้ําเนี่ยเห็นไหมท่านอบีมีสุนนะทุกอย่างแม้กระทั่งการอาบน้ําจนาบะเนี่ย นนบีอาบน้ำจะ น, น้ำ้าชน้ำน้อยมากประหยัดน้ํามากเราเวลาอาบน้ําทีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาบน้ําธรรมดาเองเี็กก็หมดเป็นเป็นร้อยร้อยลิตรไหมเป็นสิบสิบลิตรของท่านนบีไม่เกินหนึ่งกันตังหนึ่งซ้อถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่งกันตังนี่กี่ลิตรน้ํากี่ลิตรฮะประมาณสี่ลิตร สี่ลิตรก็ประมาณาสองขวดใหญ่นี่ข <c oughs> ายในในเซเว่นมันใช่ไหมอาบได้ไหมอาบน้ำสองขวดใหญ่นี้พวกเราอาบได้หรือเป่พวกเราบางทีถังหนึงห่งเ น, นี่ยไม่พอถังหนึ่งเนี่ยกี่ลิตร่ายี่สิบลิตรบางทียงไม่พอยิ่งถ้ามีฝักบัวอีกอืมไปกันใหญ่นี้เราไม่เคยอาบน้ำตามสน่นนะ อาบน้ำตามสุนนะเนี่ยถ้าเรียนวิธีการอาบน้ําจันาบะตามสุนนะเนี่ยใช้น้ําน้อยมากสุภาพละลออเดี๋ยวพอเราน้ำเยอะเนี่ยเราก็เลยไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คนอาหรับเวลาที่ไม่มีน้ําเนี่ยเขาใช้น้ําสุภาพละลออต้องลองสักครั้งหนึ่งลองดูว่าอาน้ำจันาบะยังไงตามสุนนะนบีไม่ใช่น้ำใช้น้ําน้อยมากนะครับใครก็ตามที่อาบน้ํามันสุกเหมือนกับการอาบน้ําจันาบะรู้เลยนะอาบน้ำจันาบะอาบน้ำยังไง ทักใครยังไมรู้ก็ไปถามคนที่รู้ตั้มมาราฮาในสั่ตอลาแล้วเขาก็ไปมัสยิดในชั่วโมงแรกรกฟกั قرب บ د ن นเหมือนกับเขาเหมือนกับว่าเขาดันได้ทำศรัทธาด้วยอูลเร็กลบบุญเหมือนกับว่าทาอว่ามันราฮสั่งต์สองฟังฟังกั قرب ب ق ر ร ะใครที่ไปหลังจากนั ences, enfin ้นชั่วโมงที่2เหมือนกับทำซาดาก็กับวัวว่ามันร a l f س ا ع อักิซาลีซะกนมากรบ t i o n อักรใครที่ไปชั่วโมงต่อไปเหมือนกับให้ซดาก็กับแกะตัวตตนะแกะตัวโตตคือเห็นไมแก่ใช่แกเมืองไทยนะแกะต่างประเทศอะตัวใหญ่ใญ่ะว่ามันรอ a l f ساعة ตี الرابعة ฟักแนมารบ มีคนยิ้มด้วยฟะคะนนมา قرب ะนะเจ้ใครที่ไปหลังจากนั้นเหมือนกับทำซาดะกับอะไรกับไก่นะเจ้าใจว่ามันราหัสส่งที่ข้าีสัใครที่ไปชั่วโมงที่ห้าะคะนนมา قرب ะใบจักรเหมือนกับทำซาดะกับอะไรฮะไข่ไก่แต่ก็ยังเป็นสาดะกันอยู่นะฟะอิดะฮอิมาม แล้วเมื ah u, ah, ่ออ ah ิหม่ามออกมาขึ้นมุมมินบัดแล้วว่ฮะดาร์ติลมมลาอิกะมมลากัดมาแล้วอภะพระอิหม่ามมาแล้วเนี่ยฮะดาร์ติลเมลาอิกะตุยสตมิยูนอัลวิคราเวลาที่อิหม่ามขึ้นมินบัตแล้วอิหม่ามออกมาจะละมาแล้วเนี่ยเมลากัดก็จะมาหฮัมล้อมเพื่อที่จะมาฟังขุตบลักของอิหม่ามด้วยอัลลอฮฺว่ามันสุขไม่ใช่วันไม่ใช่วันจิ๊บจอยขอให้เข้าใจนะครับมมลากัดมาเต็มเลยนะฮะนี่ คือประเด็นหนึ่งนะครับที่พูดพูดถึงมีอีกหลายประเด็นเดี๋ยวอ่านไปก่อนไม่ทันไม่จบได้วายสะฮับุลอันนะดูุนัตเหมือนกันให้ใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่สะอาดที่สุดแล้วก็ให้ใส่เครื่องหอมให ทำความสะอาดให้แปลงฟันให้แปลงฟันด้วยมีฮะดีษเจาะจงเรื่องนี้ด้วยนะครับะดิษที่รายงานโดยอับุลไซด์ว่าอุสล يوم الجمعة و ا ิ ب على อันนี้ก็คือให้มาแบบพร้อมเหมือนกับเป็นวันอีกวันหนึ่งให้เราให้เราเข้าใจนะครับว่าเพราะฉะนั้น เตรียมเวลาให้ให้สักหน่อยนึ่ง น, นะครับสําหรับวันศุกร์เวลาที่เรามาวันศุกร์เนี่ยเสื้อผ้าเองเนี่ยท่านนาบิให้ความสําคัญมากกับเสื้อผ้าของวันศุกร์เนี่ยที่บอกว่าบางคนเนี่ยเข้ามาในละหมาดแล้วถ้าดูเสื้อผ้ามอมแมมมากเลยท่านอบิก็เลยถามว่าเออพวกเจ้าแต่ละคนน่าจะเตรียมเสื้อผ้าเฉพาะเอาไว้สาหรับวันศุกร์ด้วยถ้าสมมุติว่ามันไม่มันไม่มีเสื้อที่จะคือไม่ทันเปลียนเสื้อก อ, อะไรนะ เหมือนก็มีเสื้อน้อยจริงๆอะ่ะอย่างน้อยนะเสื้อที่ต้องใช้ทํางานอยู่ตลอดสัปดาห์เพราะถึงวันศุกร์ก็ยังใส่เสื้อนั้นอยู่ทั้งที่ดีคนเตรียมเสื้อเอาไว้เฉพาะวันศุกร์ด้วยถ้าคนที่ไม่มีเสื้ออย่างพวกเราไม่มีป huh ัญหาพวกเราเสื้อเยอะอยู่แล้วพวกเราพวกเรานี่ เ, เสื้อเกินเสื้อเกินเกินจํานวนวนันก็ไม่มีปัญหาสมัยก่อนที่เขาบางคนชาวบ้านบางคนไม่มีเสื้อจริงๆไม่มีไม่มีเครื่องแต่งกายจริงๆแต่นั่นท่านอดีก็ยังสนับสนุนว่า ขอน่ของวันศุกร์ม่ขอได้ไหมขอเตรียมเอาไว้สักหน่อยนึงนะเพื่อที่จะได้มาวันศุกร์แบบทั้งหัวใจทั้งร่างกายที่สะอาดจริงๆนะ ا ะอิยลิสซาล ا ติมิยุมิลจุมะติฟัสอัลอลัดกริลลก و ั ا ารุลเบมายถึงอะไรฮะไอ้อิลัดิ ل ริลลาอัทร ا คุลเบย ا อิดานูดยลิ ให้ทิ้งการทามาค้าขายอันนี้เจะจงเลยเพราะว่าการทามาค้าขายเนี่ยติเจารเป็นอาชีพที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ได้กำไรเยอะอันนี้ไม่ได้รวมเฉพาะทามาค้าขายอาจจะรวมเรงธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะครับหรือการงานอย่างอื่นด้วยก็คือให้ทิ้งไปใ ห, ให้ทิ้งไปชั่วคราวเพื่อที่จะรีบมามาละหมา ว่าเห ي อนี้เป็นหุกมอิทิภาคเลยนะครับว่าห้ามทำการค้าขายหลังจากที่มีการอ่านครั้งที่สองแล้วเอ่อแล้วก็มีการขีลขกันด้วยว่าวกาข้อหนึ่งล้งมีการซื้อขายกันอีกเนี่ยการซื้อขายนั้นใช้ได้ไหม นะอลากอลัยมี2ความเห็นวะซอฮิรุลอายะะฮ์อะดัมอัศะฮ์ดะทาดูจ์ผิวเพินจากอายะนี้แล้วก็คือการซื้อขายนั้นเชื่อว่าใช้ไม่ได้เราจะขายรถขายบ้านขายทําสัญญาค้าขายหลังจากที่เขาอาซะดไม่ได้แล้วต้องทิ้งละต้องไปละหมาดก่อน فإذا ذلكم خير لكم إنكم تعلمون นั่นแหละคือสิ่งที่ดีกว่าสําหรับพวกเจ้าถ้าพวกเจ้ารู้การที่เราละทิ้งการค้าขายชั่วคราวแล้วก็รีบไปละมาเมื่อมีการอ่านครั้งที่สองแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ดีกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นในสังคมสังคมอาหรับประเทศมุสลิมเนี่ยโอ้โหภาพสวยงามมากใครที่เคยไปเคยไปมักกะ ไปมาดีนักหนึ่เราจะเห็นภาพที่สวยงามมากไม่ใช่เฉพาะอ้สุขวันปกติธรรมดาละหมาดห้าเวลาธรรมดานี่แหละเวลาที่เขาอา่านปุ๊บหรือหนาทีก่อนที่จะอา่านนี่เขาเริ่มแล้วเอาผ้ามาปิดหมดแล้วผ้าปิดหมดแล้วร้านรอบๆมัสยิดเนี่ยเขาจะเอาผ้ามาปิดหมดปิดกับผ้าอย่างเดียวนะไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรเลยก็ไปละหมาดอันเนี้ยต้องไปให้ไปดูให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้ดูให้เห็นสักครั้งหนึ่ง ไม่มีไงบ้านเราแบบนี้ไม่มีพอเขาเอาด่าแล้วปิดปิดปลอดแล้วล่ะน้ิ๊ไม่มีไม่รู้จะยกตัวอย่างที่ไหนไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงเราต้องไปดูที่อื่นนะต้องไปดูที่ต้องไปดูประเทศเขาสุภาพนัลนหรอเนี่ยเราแปลกใจมากนะครับเขาอยู่กันได้นะครับไม่ได้ไม่ได้กระทบเลยแล้วก็ริสกี้เขาก็ดีด้วยไม่ได้บอกว่าปิดห้านาทีแล้วก็เย็งไปตลอดวันตลอดชาติไม่มีนะครับสุภาพนั่นหรออันเนี่ย ไม่เชื่อก็ต้องไปดูเองไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับคนที่ไปน่เขาเขาจะเห็นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะลมค่อยรุลคมิุ่ تعل มุ่ فإذا ق ض ي ا ل ص ل ا และเมื่อละมาดเสร็จแล้วไอ้ فرغ منها ن ت ش ر و ا في الأرض واتغو من ف ا ل ถามว่าเวลาที่อัลลสุลฺฮฺะห์อัลลอฮฺสุลฺฮะห์อัลลอรฺสุลฺฮฺะอัลลอฮฺสุะห์องค์อฮฺสุลฺห์องรลอฮฺห์องดุนยาฺห์อัล สนับสนุนด้วยซ้ำละหมาดเสร็จเอาสิจะเอาดุน ي ากี่ดุ ني าเอาไปเลยจะเอากี่กี่ล้านกี่กี่แสนกี่หมื่นก็เอาไปเลยละหมาดเสร็จแล้วไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าต้องละหมาดยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องละหมาดตั้งแต่รุ่งอรจนถึงตะวันตกดินใช่เหรอไม่ไม่ได้บอกว่าเอาละหมาดเสร็จแล้วต้องนั่งซีเกตต่อหน้าอีกไม่ทำละหมาดเสร็จเมื่อไหร่ออกไปเลยออกไปเลย จะดูอาไม่ดูอากับเรื่องเรื่องของเรื่องของเรื่องของเจ้าแล้วนะจริงๆแล้วนั่งดูอามันก็ดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนจะลุกไปเลยจะถามว่าได้ไหมไม่มีปัญหาออกไปสิเสร็จแล้วก็มาเสร็จแล้วฟันเทอร์ชิรูใช้คําสั่งว่าฟันเทอร์ชิรูแยกย้ายกันไปเลยแยกย้ายกันไปบนบนหน้าแผ่นดินไปหาเรสกียก็อัลลอฮวบตสถาลาลอัลลอฮฺเตรียมเิสกีไว้ให้อายัดนี้นี่มันมีเกร็ด ที่บรรดาอุลามะอธิบายเอาไว้สําหรับคนที่จะต้องการจะทํามาค้าขายนะใครที่อยากจะได้เคล็ดลับในการทํามาค้าขายที่ให้ได้กําไรให้ได้ริสกีเยอะๆเนี่ยให้ใช้อายัดนี้ค้าขายหลังจากละหมาดเสร็จ เ, เห็นไหมเวลาทํามาค้าขายเนี่โอ้โหถามนักถามหนาว่าทํายังไงให้ขายดีทํายังไงให้กําไรเยอะขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหม ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะไปขอจสนสนากสินแส่นั่นไปขอจากหมอ น, นั่นหมอนี่จะเ อ, อละลาเคล็ดลับมาทามาค้าขายนี่เ ค, คล็ดลับของลไม่มีใครอยากเอาหรอม่มีใครอยากได้เคล็ดลับของะครับนะเคล็ดลับนี้ว่าอย่างไงดูเ <c oughs> นี่ยล حجر عليهم في التصرف بعد النداء و م ر ه م بالاجتماع ذ ن لهم له بعد الفراغ في الانتشار في ا الأ ل อัตถิไกร์มิ่ฟุติลลาห์เอ่อคมแค่เนี่ ا ب าข้อามะ ح ب าเนี่ยข้อถามยังนี้เลย صحاب าเนี่ยบางคนเนี่ยนคมค ل ออะไไรอางเราแล้วถ้าเาถ้าราถ้าเราถ้าราถ้าเราถ้าเราถ้าเราถ้าเราถ้าเราถ้าเราถ้ราถ้าเราถ้าเราถ้าเราถ้าเ้าเราราาา รตูของมัสยิดแล้วก็ขอดูอาอันนี้เป็นดูอาของคนที่ทามาค้าขายอัลลฮุหม่าอินีไม่รู้รายงานนี่ระดับไหนแต่เป็นเป็นรายงานที่พูดถึงดูอาสาหรับคนที่ ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วจะไปทํามาค้าขายมีสุน na นของสัฮาบะทำดูอาก่อนที่จะออกไปทํามาค้าขายหลังจากละหมาดเสร็จแล้วอัลลอฮฺเมือเนนีอจัจบตุดารักฟางหมายคร่าวๆครับยาอัลลอฮฉันได้ตอบรับคําเชิญชวนของพระองค์แล้วที่พระองค์เชิญให้ฉันมาละหมาดฉันมาแล้วอัลสลตุฟารีดารักละฉันก็ละหมาดฟาดูของพระองค์แล้ววันตดชแล้วฉันก็กําลังจะออกไปแล้ว เหมือนกับที่พระองค์สั่งชั้นให้ชั้นออกไปหาฤกกีฟารซุกนีมนฟลกดังนั้นขอพระองค์ประทานฤกกีจากความโปรดปรานของพระองค์ด้วยวอันจะคอยรอีพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ให้รกกีที่ดีที่สุดามัลมีคาพูดจากบรรดาศาลสบางคนบอกว่าวรยอันบัดลอันนกลมันบ้าดีมันบวตรา ที่เยามิลจุมอัติบะดลาใครก็ตามที่ซื้อขายในวันศุกร์หลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วบารักาัลลอฮุลเลห์70มรรคันอลลอฮ์ตระจะให้บา ร, รัตกับเขาเจ็ดสิบเท่าลองดูพี่น้องถ้ามีสัญญาซื้อขายลองนัด ก, กันว่าละหมาดจุมอัตเสร็จเรามาทำสัญญาซื้อขายดูเผื่อว่ามันจะได้รับบา ร, รัตเหมือนกับคาพูดของซาลักบางคน ฟ้า فإذا ف إ ذ ا ق ض ي ا ل ص ل ا انتشر في الأرض وابتدى من فضل الله وذكر الله ك ث ي ر ا لعلكم تفلحون الله ب ر อีกเคล็ดลับหนึ่งไม่กี่เคล็ดลับหนึ่งนะให้อ่านดวอาให้ทาการค้าขายหลังจากละหมาดอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือช่วงที่เราทามาหากินอยู่เนี่ยอย่าลืมที่จะ ذكر ا ل ل พระคำสั่งของ Allah บอกว่าวลกุรุลลอฮกกีรันจงราลึกถึง Allah ตอลให้มากตอนไหนเฉพาะในละหมาดไหมไม่ตอนที่ทามาค้าขายนี่แหละตอนที่ขายอยู่ตอนที่ซื้ออยู่อย่าลืมที่จะราลึกถึงลพวกเรานี่รำลึกถึง a l l a เฉพาะเวลาที่มาละหมาดเฉพาะเวลาที่มาทาอิมาดตพอออกจากละหมาดแล้วเราลืมรำลึกถึง Allah ล l แล้วไม่ใช่ตอนที่เราซื้อขายเนี่ยเนี่ยฟีฮาลิบ่ิุม ว่าชีร م กุมว่าอัครุมว่ารักุมอุกุ ك ุลลอตอนที่ซื้อตอนที่ให้ตอนที่เอาตอนที่จ่ายตอนที่ถอนเราหมดใจอัลละฮฺต้าเล่ยมาชาอัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺต้าฟุลลอฮฺลาอิลาห์อิลลาห์ว่าไปนะว่าจะชยคุณในโลกนี้ให้คุณได้ดีในโลกหน้าอย่าให้ผลประโยชน์ในโลกนี้ทาให้พวกเจ้าหลงลืมผลประโยชน์ในวันอาครัตดีเกตเนี่ยผลประโยชน์ในวันอาคร พอเราง่นเก่ับผลประโยชน์ในนลกเราลืมที่จะนึกถึงผลประโยชน์เอาไว้แล้วครัเนีเพราะฉะนั้นอย่มีฮะดีษด้วยที่บอกว่าใครก็ตามที่เข้าไปในตลาดมันดัลาสุกันมินัวใครก็ตามที่เข้าไปในตลาดไปในตลาดดตลาดหนึ่งและเขาก็รับนู่นเอาว่าละอิละอิลลอวะดลชรกะละละุลมุลกละุลฮัมวะฮอะล่าคุลิเชีมทัดี์คัตบัลลอละะสะอัะัฮนะ วมหา عنه ألف- อัลี سيئة นี่ผมไม่ได้ต๊ากิจนะครับเหนี้ว่ามันระดับใดจะเป็นดวอาเวลาที่เข้าตลาดลองกลับไปดูดวอาเข้าตลาดเป็นยังไงมีดวอาด้วยแม้กระทั่งเข้าตลาดยังมีดวอาเลยให้เราเลกถึงอัลลอฮ์ س ب ح ا ه และ تعالى ตามอายะห์นี้ข้าวมุจจา د ิดไม่กุลูน عبد من الذاكرين الله كثيرا อัลลอง่งจะถูกทับอาู่็นคนที่รลึกถรค์ AH ตาลอา ม, มายจนกว่าเขาจะรำลึกถึงอัลลอในขณะที่เขายืนในขณะที่เขานั่งและในขณะที่เขานอนด้วยทุกสถาน ก, การณ์ในชีวิตของเราอาดัยแะอิฟดาร์อาวติจาระติน ว่าชะคูกะก้ออิมาเมื่อคนเหล่านั้นบรรดาสัฮาบะเห็นติจาระการท้าขายเอาละวันละวันก็คือความบันเทิง ค, ความสนุกสนานการลเล่นมันมีเรื่องที่มาที่ไปเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพวกเขาก็กรูกันออกไปหาการกท้าขายที่เขาเอามาขายนะ่ยสิพ่อเห็นพ่อค้าเข้ามาเนี่ย และครูกันแล้วก็วาจาเราครูกับคออิมาและก็ทิ้งให้ท่านนาบีอยู่บนมิมบัตคนเดียวอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยของท่านนาบีอาละตาะต์ก็เลยประทานอายตนี้ลงมาเป็นการตำหนิสาาัฮาบะเป็นการสอนสาาัฮาบะนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นรยายงา น, นนะครับหลายคนนะครับที่เล่ามาให้ฟังว่าอบดุอาลีอะนะกิ้ ق ا ت ل ب ن ح ย ا زيد ب นอ س, س, س ل ล قاتل นะ مقاتل بن حيان บอกว่าอ التجارة ค ا ن ت ل د ลิปยิปบินคาลิฟะกับลยลมีอู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีพ่อค้าเดินทางเข้ามาในมดีนนะวันศุกร์พอดีตรงกับวันศุกร์พอดีแล้วท่านกำลังพูดภาษาญี่ป่พอดีพอครั้งที่ชดยดยเนี่ยกอีจะรับอิสลามวเข้ามาเนี่ยแค่มแล้วก็พ่อค้าเนี่ย มีวงเหมือนกับวงดนตรีมาด้วยสมัยก่อนอเหมือนค้าขายสมัยนีย้ใช่ไหมเวลาที่เอาสินค้าหรือว่าพวกเราสมัยก่อนแกเห็นไหมเวลาที่มีคาราวานที่อรถรถอะไรอะ่ะรถสิบล้อที่เขาที่เขาเคยมาขายเอาของมาขายในหมู่บ้านน่ะบางทีเขาไม่ได้มาเฉพาะรถอะ่ะเปิ ด, เ ป, ดเปิดนู่นเปิดนี่เปิดเสียงดนตรีแบบเพื่อเรียกร้องลูกค้าให้ออกมามาที่รถอะ่ะอะไรประมาณนั้น ซึ่งมันเป็นวิถีของคนสมัยก่อนด้วยอพอ้าเวลาจะเอาของไปขายที่ไหนก็จะมีวงเล็กๆมีกลองมาตีกลองมาเพื่อเรียกลูกค้ามาดูสินค้าของตัวเองอ่านี่เป็นวิถีนะฮะจนจนจนกระทั่งทุกวันนี้มันก็ยังมีนะมีไหมห้างใหญ่ๆเวลาที่จัดโปรโมชั่นต้องมีอะไรต้องมีนักกรอง <laughs> ต้องมีนักกรองเวลาเปิดตัวรถยี่ห้อรถรถุรถ่นใหม่ก็จะมีก็จะมีเหมือนกัน อันนี้เป็นเป็นสุนทรภัยหรืยังคะม่หนูหรือาผม้ก็จะมีก็จะมีหมดเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้ผิดถ้าสมมติว่าไอความบันเทิงนั้นมันเป็นความบันเทิงที่ฮาลาลใช่ไหมฮะสมัยก่อนนี่ก็มีแบบนี้พอเห็นพ่อค้ามาแล้วก็มีวงพวกนี้มาด้วยเนะี่ยมีตบันนะครับพวกอะไรนะกลองกลอง ม, มาด้วยเนะี่ยั่งซราฟูอีเลห์วะตาะูรัสูลอัลลอฮิลลัลลอฮิซัลลัมอิมันะลล์มินบาร์อิลลัลลีล่มินุม ทิ้งท่านนาบีนั่นคุตัวบ้าอยู่แล้วก็เหลือสหภาพเพียงแค่บางคนนะครับในบางรืองยับอกว่าเหลือแค่สิบสองคนลลอ๋อัเป็นร้อยเนี่ยเหลือแค่สิบสองคนหลัหลังก็เลยประทานอายัสนี้ลงมานะครับว่า وإذا رأوا ت น ا ر ا ت ู ن أو لحون فضوا إ ل ูก ا وتركوا ك ล ا ئ م ة لك السعادة ا น, นาบีกล่าวแก่บรรดาสหภาพว่า قل ما عند ล ل ل خير ์จากแหี่งพ right ูดและจากการค้าขายดีกว่าผลประโยชน์ชั่วคราวจากการค้าขายดีกว่าความบันเทิงชั่วคราวในโลกนี้นี้และบอลค่อรอรอที่ Allah อะนั้นเป็นผู้ที่จะให้รสกีที่ดีที่สุดคือบางที คนที่กรูกันออกไปดูพ่อค้าเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะกลัวคนอื่นจะซื้อหมดกลัวว่าของดีๆจะโดนแยง่งหมดก็เลยออกไม่ก่อนกลัวว่าริสกีของตัวเองนั้นจะหมดไปแ ล, แล้วอะละก็เลยตั้งกํากับไว้ว่าบลโลกใครรอเสียกินใครเป็นคนให้ริสกี้ Allah เป็นคนให้ริสกีนะครับไม่ใช่พ่อค้า ค, าคนนั้นไม่ใช่โปรโมชั่นนั้นไม่ใช่โปรโมชั่นนี้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนี่เป็นเคล็ดลับสุภาษ น, นั่นหรอนี่ภาพรวมของสุรทุลจุมภา เห็นไหมครับ mm มันม no, ีทั้งบทเรียนในแง่ของการตัดเบี้ยของการสร้างคนของการชำระจิตใจของการพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกบันิลออีนความสําคัญของการให้ความสําคัญแก่การสร้างตัวตนการจัดระบบระเบียบเห็นไหมจัดระบบ ในวันยุมอัตวันศุกร์ท่านนบีจัดระเบียบยังไงจะมามัสยิด ต, ต้องอาบน้ำให้สะอาดต้องละหมาด ก, ก่อนแล้วค่อยออกไปทํามาหากินมันได้บทเรียนหลายอย่างนะเป็นบทเรียนทั้งในวันอาคีรัตทําเพื่ออาคีรัตด้วยต้องจริงจังกับการทําเพื่ออาคีรัตแล้วก็ไม่ได้ปกปิดเรื่องของดุน ي ة เรื่องของดุน ي ة ก็สนับสนุนให้ทําด้วยไม่ใช่ว่าเข้ามาสู่อาคีรัตแล้วดุน ي ة ไม่ต้องทำไม่ วันศุกร์เองเนี่ยให้ทำดุนยาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ทำเฉพาะอารัธนรดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลองดูลองดูถ้าสมมติว่าเราในเชิงสั ญ, ญลักษณ์เนี่ยเราจะใช้วันศุกร์เพื่อปรับตั้งแต่ทัศนคติของเราได้ไหมทัศนคติของเราที่เรามองอิสลามเราจะจัดการชีวิตจะจัดการสังคมมุสลิมจะจัดการมัสยิดของเราให้มันมีประสิทธิภาพ โดยใช้วันศุกร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเราจะทําได้ไหมน้อยมากนะครับที่ที่เราเห็นบางเราใช้วันศุกร์อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพของมันจะทําอย่างไรเราลองอยากจะให้ทบทวนดูนะครับใครที่ฟังอยู่หรือใครที่เป็นมีบทบาทในการพัฒนาสถาบันมัสยิดเนี่ยจะทําย่างไรให้วันศุกร์ของเราวันศุกร์ของประชาชาติอิสลามที่ท่านนาบีได้รับมา เป็นของขวานจาก อ, องค์พระองค์ตาลาเหนือกว่าประชาชาิอื่นๆนั้นมีบทบาทตามที่มันควรจะเป็นจริงๆนะครับองค์พนะระองค์ตาล่าอะไรนะห้ามตัวเองลเสียดายนะครับจริงๆแล้วอยากจะฟังเสียงพวกเราด้วยเราอยากจะฟังเสียงสะท้อนจากพวกเราด้วยเพราะว่า <c oughs> สุนทรข้อนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนเราแค่อธิบายอย่างเดียวไม่ได้ต้องฟังเสียงสะท้อน ฟังเสียงสะท้อนจากหัวใจของพวกเราว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วหลังจากที่เราได้รู้ทฤษฎีบางอย่างเกี่ยวกับจุ๋มไหวแล้วก็ความเป็นจริงของเราเราจะเอาไปพัฒนาได้อย่างไรไม่ทันก็ไม่เป็นไรเอากลับไปคิดทํากานบ้านเองที่บ้านเนาะว่าจะใช้วันศุกร์ยังไงจะลงทุนกับวันศุกร์ยังไงให้มันมีประโยชน์ทั้งอันอาเคโลแล้วก็ดุเนียของเรานะครับตบบนะันดาลทีน่ะคิดดุนียกันเสียนะ ว ف ي ا ل ا خ ر ส ح س ن ี و พั ن ا ع ذ ا เ ا าให้นาบนาไม่เป็นดุอาที่เราใช้อ่านทุกครั้งขอรักอะไนั้นให้ความดีกับเราในปุณณานี้และความดีกับเราในโลกที่สด้วย الحمد لله الذي بنعمته ذات ا ل ص ا ل ح والله تعالى علَم ص ل َ ى الله َ ع ل َِّ ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ِ ه ِ و ص َ ح ب ِ ه ِ و س َ ل م س ُ ب ح ا ن ر َ ب ّ ك ر ب ا ل ع ِ ز َّ ة ِ أ م ا ي س ي ف و ن و ا ل س ل ا م ع ل ى ا ل م ر س ل ي ن ا ل ح م د ُ ل ل ه ر َ ا ل ع ا ل ْ ع َ ا ل ا م ل ي ك م و َ ا ل ل ه